นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออนิจังสังขารไม่นานหนอบังเกิดก่อแล้วพลันกลับหันเหไม่เที่ยงแท้แปรปรวนมันรวนเรทั้งถ่ายเทเกิดดับสลับกันบังเกิดแล้วพอยังจะตั้งอยู่ก็เพียงครู่สุดท้ายทำลายขันไม่เจรังยั่งยืนอยู่นานวัน สังขารขันแตกดับลับขันไหลพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัชชากมกูร์ดกวีจังหวะระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีข้อความในหนังสือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทมาศเจิม ได้บันทึกเรื่องผีหรือว่าเรื่องวิญญาณเจ้านายไว้ตอนหนึ่งว่าศักราช7เจปีเถาะนบพศกตรงกับพุทธศักราช1930สถาปนาวัดภูเขาทองเพลาเยน็นสมเด็จพระราเมศสวนบรม บ, บพิษเสด็จไปพระที่นั่งมัคคลาพิเศษ เท้ามน์ซึ่งตายแต่ก่อนนั้นมานั่งขวางทางเสด็จอยู่แล้วหายไปสมเด็จพระราเมศวนก็เสด็จสวรรคตอยู่ในราชสมบัติหปีจากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระราเมศสวนได้ทอดพระเนตรเห็นผีหรือว่าวิญญาณของพระประยูรญาตซึ่งถือว่าทรงพระเคราะห์อ่าเพราะต่อมาพระองค์ก็เสด็จสวรรคต เรื่องพระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรเห็นผีนี้เท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ก็มีเพียงพระองค์เดียวส่วนพระเจ้ากรุงทนบุรีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นแต่พระองค์ก็ทรงพระสุบินเห็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรียุธยาองค์ก่อนๆทรงขับไล่แม่ให้ตั้งกรุงศรียุธยาเป็นราชธานีขึ้นใหม่อีกซึ่งน่าจะนับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณก็เห็นจะได้ ในยุคปัจจุบันพระเจ้าแผ่นดินที่ทอดพระเนตรเห็นผีมีอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงพบที่เมืองนครปฐมขณะที่ทรงซ้อมรบเสือป่าที่วังพญาไทยหรือว่าที่เป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎปัจจุบันเมื่อสมัยเป็นโรงพยาบาลเสนารัก์พญาไทยก็มีผู้พบวิญญาณของเจ้านายบ่อยๆ วิญญาณในรั้วในวังซึ่งเป็นที่เล่าลืออีกเรื่องหนึ่งก็คือวิญญาณที่ในพระราชวังสวนดุสิตรเรื่องนี้อาจารย์ชาลีเอี่ยมกระสินเป็นผู้เขียนเล่าอยู่ในเรื่องผีในพระราชสำนักในหนังสือสยามเก่าเล่าใหม่เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อปลายปี2442พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับที่พระพลาในพระราชวังสวนดุสิต และต่อมาในราวเดือนมีนาคม2444ได้เสด็จขึ้นประทับณนะพระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จพระที่นั่งองค์นี้เป็นไม้สักล้วนๆขนาดใหญ่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ณนะชั้นที่สส่วนชั้นสองเป็นที่ประทับของเจ้านายผู้หญิงและเจ้าจอมมารดาค่าวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้เสด็จประทับอยู่ จึงไม่มีผู้ใดอยู่ชั้นบนของพระที่นั่งเลยปรากฏวสุนัขตัวโปรดชื่อลูวิสของเสด็จพระองค์ออนประพันธ์ได้หายไปพระองค์ออนประพันธ์จึงทรงใช้บรรดาข้าหลวงซึ่งอยู่ในวัยรุ่นสาวอายุสิบห้าหปีค้นหาแต่ก็หาไม่เจอพระองค์ออนประพันธ์จึงทรงใช้ข้าหลวงให้ขึ้นไปหาบนพระที่นั่ง พวกข้าหลวงต่างมองหน้ากันเพราะเป็นที่รู้กันว่าข้างบนพระที่นั่งเงียบและวังเวงเพียงใดเพราะต่างเชื่อกันว่าชั้นบนนั้นมีพระวิญญาณของเจ้านายที่สิ้นพระชนไปแล้วทรงสิงสถิตยอยู่แต่เมื่อพระองค์เจ้าออนประพันธ์ทรงใช้ก็จําเป็นจะต้องขึ้นไปหาไม่มีใครกล้าขัดคําสั่งกลุ่มข้าหลวงซึ่งมีไม่ต่ำกว่าห้าคนก็ถือใบชายและหิューตะเกียงขึ้นไปหาพร้อมกับเรียกลูวิสลูวิสด้วยเสียงสั่นๆเพราะความกลัว ทันใดนั้นเองกลุ่มข้าหลวงก็ได้ยินเหมือนของหนักๆกระแทกพื้นดังก้องกังวานจนพื้นพระที่นั่งกระเทือนและแล้วก็มีเสียงร้องของสุนัขคือเสียงของลูวิสดังลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วตามด้วยเสียงครางหิงหงิงจากแสงไฟฉายและแสงตะเกียงข้าหลวงทุกคนก็ได้เห็นร่างสูงใหญ่ของมนุษย์คนหนึ่งนุ่งผ้ายกคาดพุงด้วยผ้าสีแดงหน้าตาดุดันยืนจังก้าอยู่ท่ามกลางความมืดนั้น เมื่อเห็นอย่างนั้นบรรดาข้าหลวงต่างก็ร้องกรีดด้วยความกลัวข้าหลวงที่ถือตะเกียงตกใจทําตะเกียงหลุดจากมือไฟดับวูบลงแล้วต่างคนก็พากันวิ่งหนีลงบันไดแท่จะตกบันไดาตายท่ามกลางเสียงหัวเราะแหลมเล็กและเยือกเยน็นจับขั้วหัวใจของมนุษย์คนนั้นสําหรับผู้ที่เล่าเรื่องนี้ให้คุณชาลีฟังก็คือคุณทัพทิมซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้ไปค้นหาลูวิสด้วยและคุณทัพทิมผู้นี้ เป็นผู้อุ้มเอาลูวิสเอาลงม า, าตามหลังบรรดาข้าหลวงทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเอาลงมาแล้วปรากฏว่าลูวิสหายใจขมเอวขมวทำท่าจะตายเสียได้ซึ่งแสดงว่าถูกเหยียบอย่างแรงอันหนึ่งจากการที่พวกข้าหลวงได้พบผีนี้ทำเอาข้าหลวงคนหนึ่งขวัญเสียนอนสมเป็นไข้ไปหลายวันทีเดียว พระวิญญาณของเจ้านายอีกพระองค์หนึ่งที่เฮียนหน้าดูก็ได้แก่พระวิญญาณของสมเด็จกร ม, มหลวงชุมพรพระราชนิพนในรัชกาลที่ห้าผู้ทรงเป็นเจ้าพ่อของทหารเรือผู้เล่าเรื่องนี้ได้แก่พระมหาวีระแห่งวัชจรธรามหรือ ว, ว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเล่าว่าเมื่อพศ .2509 ท่านได้ไปสอนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดสะพานหน้าจังหวัดชัยนาธได้เห็นการเข้าทรงหลวงพ่อสุข วัดปากคลองมาขามเท่าและหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอยุธยาพระอาจารย์ของท่านแล้วก็มีคนแก่อีกคนหนึ่งได้เข้าไปเยี่ยมคนทรงนี้ก็ปรากฏว่าพระวิญญาณของเสด็จกรมหลวงชุมพรมาเข้าคนแก่คนนี้ในเวลากลางวันแสกๆตอนเที่ยงด้วยพระมหาวีระเล่าว่าตามประวัติท่านกรมหลวงชุมพรท่านชอบสุรา แต่ว่าชอบไอเป้ น, ะน้ำตาลเมาท่านก็สั่งให้หาไอเป้บอกหาไม่ได้ก็เลยซื้อแม่โขงมาสองขวดใหญ่ๆเอามาลองดูถ้ากรมมหลวงชุมพรจริงๆก็ต้องดื่มได้แล้วก็ไม่มีโซดาท่านก็เรียกนายทหารหลายคนให้ไปดื่มกับท่านที่นั่นนายทหารก็บอกกำลังเที่ยงไม่ไหวท่านบอกกินเถอะไม่ต้องเติมโซดาไม่เมารอกจืดเป็นน้าท่าเลยรินใส่แก้วให้ขนทรงหมายความว่ากรมมหลวงชุมพรท่านเข้าอยู่ พวกนายทหารก็ดื่มกันหลายคนปรากฏว่าไม่เมาเลยไม่มีรสเป็นเหล้าเลยเหมือนกับน้ำจืดๆสักประเดี๋ยวท่านก็รินมาใหม่บอกอีตอนนี้เมาละอย่ากินมากนะลองจิบดูสิอ่าพระเขาจะว่าเอาอ่านี่ข้า บ, บอกให้รู้นะอยเล่านะให้เมาก็ได้ไม่เมาก็ได้พวกนายทหารจิบก็ไปหน่อยก็บอกชักหมุนหัวอ่ากลางวันแสกๆ แ, แบบนี้ก็เลยถอนตัวท่านก็เลยบอกเท่านี้แหละ พวกทหารกลับไปนั่งได้แล้วสุราที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็เพียวๆเลยทั้งสองขวดอ่ะไอขวดแรกยุบไปนิดหน่อยขวดที่สองนี่หมดขวดเลยพอถามว่ามาธุระอะไรก็ตอบว่าไม่ได้ทาธุระอะไรหรอกเห็นทำดีกันก็เลยมาเยี่ยมถามว่ามาเยี่ยมทำไมมากินเหล้าในเขตวัดท่านก็บอกว่ามาท่านเลี้ยงก็บอกนี่ไม่ได้เลี้ยงนะมาขอนี่ก็ให้ท่านบอกว่าอยากก็ให้ท่านกิน าถามที่เดิมเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรท่านก็บอกว่าทําให้รู้ว่าอีกคนทรงเลยมันกินไม่ได้ถ้ามันขืนกินแบบนี้มันก็ตายแต่นี่ให้เห็นว่าผมมาจริงนี่เป็นการแสดงเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องพูดกันสเสด็จกรมหลวงชุมพรเนี่ยเมื่อ ย, ยังทรงพระชนชีพอยู่ได้ทรงเป็นเจ้านายทรงสนพระไทยเรื่องสายศาสตร์โดยได้ทรงเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพระสุขวัดปากคลองมาขามเท่า หลังสุดพระองค์ทรงมียศเป็นพลเรือเอกทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2466ในรัชกาลที่หเสด็จกรมหลวงชุมพรทรงมีวังประทับอยู่ที่เชิงสะพานเทวกรรมนางเลิงเมื่อสิ้นพระชนแล้วได้มีผู้สร้างศาลไว้ที่ตรงริมกำแพงวังและต่อมาก็มีสร้างที่อื่นอีกเช่นที่วัดพระเชตุพนท่าเตียนและที่จังหวัดจุมพรเป็นต้นปรากฏว่ามีผู้นับถือ เป็นเจ้าพ่อองค์หนึ่งสมัยเมื่อพลเรือเอกรมหลวงชุมพรยังทรงมีพระชนชีพอยู่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเกิดขึ้นในวังของพระองค์จากการบอกเล่าของนางอายุธประดิษฐ์หรือว่าอันอามรารดิษฐ์ซึ่งได้รับการบอกเล่ามาจากคุณยายเนินมานดาอีกต่อนึงว่าท่านหญิงทิพย์พระชายาของพลเรือเอกรมหลวงชุมพรซึ่งเสวยน้ากรดสิ้นพระชน ได้มาปรากฏพระองค์อยู่บนพระตำหนักเป็นประจำผู้ที่เห็นวิญญาณของท่านหญิงทิพย์ก็คือหม่อมกิมโดยหม่อมกิมเล่าเรื่องนี้ให้คุณยายเนินฟังคุณยายเนินมานดาของนางอายุธประดิษฐ์เป็นภรรยาของพลเรือตรีพระยาอาสาสา ร, รการสมุหาราชองครักษ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและการที่คุณนายเนินรู้เรื่องนี้ก็เพราะเหตุว่าได้เข้าไปอยู่ในวังกรมหลวงชุมพร เนื่องจากเจ้าจอมมารดาหมดพระชนนีของพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรได้ขอร้องให้คุณยายเนินมาเป็นพระพี่เลี้ยงของพระโอรสของพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรท่านหญิงทิพย์พระองค์นี้ทรงพระนามเต็มว่าหม่อมเจ้าหญิงทิพยะสัมพันธ์ทรงเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของกรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชทรงเป็นสะพายหลวงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพลเรือเอกลมหลวงชุมพรทรงสนพระไทยทางไสยศาสตร์จึงมีผู้เชื่อว่าพระองค์จะทรงเส้นสวงเลี้ยงพระบิญญาณของท่านหญิงทิพไว้หรือไม่เช่นนั้นพระบิญญาณของท่านหญิงทิพก็คงจะทรงอะไรในตำหนักที่ประทับอยู่กับพลเรือเอกลมหลวงชุมพรเรื่องเ จ, เจ้าที่เจ้าทางแรงนี้ปรากฏว่าที่ตึกใหญ่ในกระทรวงศึกษ า, ษาธิการก็เฮียนหน้าดูที่ตึกนี้เดิมเป็นตึกเก่าในวังจันทรเกษม ซึ่งเป็นวังที่สร้างตั้งแต่รัชกาลที่หแล้วภายหลังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพศ .2475 จึงได้เป็นสถานที่ทําการของกระทรวงธรรมการคือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันที่ตึกหลังนี้มีห้องใหญ่อยู่ห้องหนึ่งโอถงและเย็นสบายทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้เป็นห้องทํางานของผู้ใหญ่ในกระทรวงแรกทีเดียวเป็นห้องทํางานของรองปลัดกระทรวง แล้วต่อมาจกนกระทั่งปัจจุบันก็ได้เป็นห้องทํางานของรัฐมนตรีช่วยปรากฏ ว, ว่าที่ห้องทํางานนี้เป็นห้องอาถรรพ์ใครมานั่งทํางานในห้องนี้ก็ให้มีอันเป็นไปต่างๆทุกท่านหลังสุดซึ่งเป็นข่าวใหญ่ก็คือพานายปัญจากเกษรทองสสจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมานั่งทํางานในห้องนี้ได้ไม่เท่าไหร่ก็ถูกคนร้ายยิงเอาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปางตาย เมื่อครั้งที่ดรยุพาอุดมศักดิ์สสจังหวัดพิจิตรเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชุดพลเอกเรียงศักดิ์ชมานันนายกรัฐมนตรีใหม่ๆก็ได้รับคําเตือนจากพวกข้าราชการในกระทรวงศึกษาหลายท่านว่าอย่านั่งทํางานในห้องนี้ขอให้เลือกทํางานในห้องใหม่เพราะว่าเจ้าของห้องเขาหวงดรยุพาจึงสอบถามความเป็นมาของห้องนี้ก็ได้ความว่าเดิมเป็นห้องบรรทมของเจ้านายพระองค์หนึ่ง แต่บางเสียงก็ว่าเป็นห้องตั้งประสบของเจ้านายพระองค์นั้นบางเสียงก็อบอกว่ามีผู้นั่งทางนายดูแล้วปรากฏว่าวิ ญ, ญญาณที่ยังสิงอยู่ในห้องนี้เป็นเจ้านายผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งดังนั้นก่อนที่ดรยุพาจะเข้ามานั่งทํางานอยู่ในห้องนี้จึงได้นิมนต์พระมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ให้แก่พระวิญญาณเจ้านายทั้งสองพระองค์นั้นแต่ถึงกระนั้นดรยุพาก็เป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่ได้ไม่นาน เพราะรัฐบาลพลเอกเรียงศักดิ์ถูกมรสุมทางการเมืองต้องลาออกก่อนถึงกำหนดวาระครับมาถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในสมัยราชการที่สเรื่องมีอยู่ว่าอินวนเนี่ยมีนิวาสถานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี คือคำว่าอ e, ีหรือว่าอสมัยนั้นก็เป็นคำที่ใช้เรียกผู้หญิงผู้ชายธรรมดาไม่ได้หยาบคายแต่ประการใดทีนี้อินวนเนี่ยมาทำธุระเรื่องอะไรไม่รู้ที่กรุงเทพเวลานั้นก็แวะมาซื้อของที่ตลาดไทยสนมตลาดไทยสนมก็คือตลาดท่าเตียนใกล้พระบรมมหาราชวังปรากฏว่าอินวนได้ยินข่าว พระองค์เจ้าหญิงเกศร ส, สิ้นพระชนพระองค์เจ้าเกศร น, นี่เป็นพระราชธิดาของกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์กับเจ้าจอมมารดาปิน่นเจ้าจอมมารดาปิ่นก็โศกเศร้าเสียใจที่พระองค์เจ้าเกศร ส, สิ้นพระชนนี่อินวนก็ น, นึกอะไรขึ้นมาอย่างหนึง่งนะคือมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่ออีจันทร์ อิจันเนี่ยมาชอบอยู่กับนายยังหลานชายของตัวนะแล้วต่อมาอิจันเนี่ยป่วยญาติพี่น้องของอิจัน์ซึ่งก็มีแม่เลี้ยงคืออําแดงอินแล้วก็ญาติๆก็พาอิจันนะไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านของอินนวนเนี่ยที่เพชรบุรีเนะนี่ยทีนี้รักษามาสามสี่วันอาการดี อินวนก็คิดอุบายที่จะล่อหลวงเจ้าจอมมารดาปิดก็เลยสอนให้อิจันพูดอบอกกับคนอื่นๆว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าวางแผนต่างๆคือหมายถึงว่าให้เหมือนกับวิญญาณของพระองค์เจ้าหญิงเกศรเนี่ยไปเข้าร่างอิจัน ให้บอกใครๆว่าตัวเองเนี่ยอยู่กรุงเทพทีนี้อิจันก็เห็นด้วยกับอุบายคืออินวนพอพ่อมารับจะกลับบ้านเพราะตอนนั้นอาการดีขึ้นแล้วอิจันก็ทําเป็นไม่รู้จัก น, นายนาคซึ่งเป็นพ่ออินวนก็กําชับให้อิจันบอกว่าบ้านเดิมเน่ยอยู่กรุงเทพไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนหรอกแต่ให้บอกว่าเรือนฝาถือปูนนะประดับกระจก เคยได้ลงลอยกระทงตำหนักแพลสองครั้งบ้านที่อยู่เนี่ยมีช้างเผือกด้วยลิงเผือกด้วยว่าอย่างนั้นทีนีนนาคซึ่งเป็นพ่อของอิจันร์มารับอิจันทร์กลับไปรักษาที่บ้านได้สองสาวันอิจัน์ก็กลับมาอาศัยอยู่กับอีนวลอีกข่าวก็เลื่องลือไปว่าเจ้าที่กรุงเทพน่ะตายแล้ววิญญาณน่ยมาเข้าร่างสิงร่าง ของอิจัน์อยู่ที่เพชรบุรีฝ่ายพระยาเพชรบุรีเจ้าเมืองในเวลานั้นได้ข่าวก็เรียกอีนวนไปไต่ถามก่อนแล้วก็สั่งให้กำนันพาอิจัน์จากบ้านที่ที่พักอยู่คือบ้านอีนวนเนี่ยเขาอยู่บางครกให้พาตัวอิจัน์ซึ่งว่าผีเจ้าเข้าสิงเนี่ยไปยังตัวจังหวัด ระหว่างทางก็แวะรับผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออีเลยไปด้วยเพื่อไปเป็นเพื่อนให้คอยประครับประคองอีจันทร์เพราะว่าเพิ่งหายป่วยพญาเพชรบุรีพิจารณาความแล้วคงไม่เชื่อจึงให้นำอีจันทร์กลับไปอยู่ที่บ้านอีนวลตามเดิมต่อมาพญาเพชรบุรีสั่งให้อีนวลแหลนายมูลลูกขุนจ่าเมืองไปรับอีจันทร์กลับไปเมืองเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง ผู้ร่วมขบวนไปรับอิจันร์มีหลายคนลงเรือสำปั้นมาระหว่างที่นั่งเรือสำปั้นมาเนี่อิจฉานวางท่าในลักษณะเป็นเจ้านายคือกลางกั้นร่มกระดาษพอมาถึงเมืองเพชรบุรีก็ไปอยู่ที่บ้านขุนจ่าเมืองสามสี่คืนจากนั้นพระยาเพชรบุรี ก็ให้ย้ายจากบ้านขุนจ่าเมืองขึ้นไปที่บ้านของตัวไปอยู่อีกห้าหกคืนในตอนนี้พระยาเพชรบุรีคิดการใหญ่คือเข้าหาอีจันทร์แต่อีจันทร์ไม่ยินยอมในคำพิบากษาพารณาว่าใช้เท้าถีบพระยาเพชรบุรีพิจารณาความในตอนนี้นต้อง ยกย่องไวอิจันเล่นได้สมบทบาทเพราะในฐานะที่ตัววางตัวเป็นเจ้าขณะเจ้าเมืองเข้ามาหาก็ยังไม่ยอมอไม่ลดตัวมาสมาคมกับชายสามัญแต่พระญาเพชรบุรีเป็นผู้ที่สมควรได้รับคำตำหนิอย่างยิ่งเพราะว่าตัวอยู่ในฐานะข้าของพระเจ้าอยู่หัวการที่ไปล่วงเกินเชื้อประวงไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าหากพิจารณาได้เป็นอีกทางก็คือพญาเพชรบุรีคงจะไม่เชื่ออิจันว่ามีวิญญาณมาสิงจริงแล้วคิดว่าอิจันก็เป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาทีนี้อีนวนเกรงว่าเรื่องจะไปกันใหญ่เพราะเรื่องที่พญาเพชรบุรีเข้าหาอิจันเนี่ยรู้กันหลายคน แต่ก็ไม่มีความสามารถจะนำตัวอีจันทร์ออกจากบ้านพระยาเพชรบุรีได้อีนวนก็เลยวางแผนที่จะต้องเข้ากรุงเทพละ่ะเพื่อจะไปหาเจ้าจอมมันดาปินแล้วก็จะเล่าเรื่องที่ว่าวิญญาณของทิดาสาวมาเข้าร่างอีจันทร์ที่เพชรบุรีให้จอมมันดาปินไปจัดการเรื่องนี้ครับเหตุลุกลามเข้าพระราชวังแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะครับถึงได้มีเรื่องของการ ประหารชีวิตเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยมาคุยกันเรื่องผีเจ้าเข้าสิงกันต่อต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเรื่องนี้เกิดสมัยรุนเก่ารัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเรื่องมีว่าอีนวลมีนิวาสถานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี มาทําธุระเรื่องอะไรไม่รู้ที่บางกอกแล้วก็แวะซื้อของที่ตลาดไทยสนมคือตลาดท่าเตียนหลังพระบรมราชวังได้ยินข่าวที่พระองค์เจ้าหญิงเกศร ส, สิ้นพระชนมพระองค์เจ้าเกศรเป็นพระราชธิดาของกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์กับเจ้าจอมมันดาปิน่นอินวนก็ได้ข่าวว่าเจ้าจอมมนดาปินนิโศกเศร้าเสียใจยิ่งนัก ในการจากไปของพระองค์เจ้าเกศรทีนี้อินวนนึกได้ว่าที่บ้านของตัวเองนะ่มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออิจันอชอบป่วยเป็นนอนเป็นนี่ตอนนั้นอิจันป่วยญาติพี่น้องเห้อิจันเขาก็พามาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของอีนวนจนอาการดีขึ้นตอนนั้นอินวนก็คิดอุบาย จะล่อลวงเจ้าจอมมันดาปินก็สอนให้อิจรรัันบอกกับคนอื่นๆว่าตัวเองชื่อเกสศรมีแม่ชื่อปินบ้านอยู่บางกอกแล้วก็บอกว่าให้บอกว่าตัวเองเนี่ยตอนที่ตายไปแม่พรามเขาตะเขาเป็นคนนำตัวมาเพราะว่าทีแรกอพอตายไปแล้วจะกลับเข้าไปร่างอีก แต่เข้าไม่ได้เพราะร่างถูกฝังไปแล้วแม่พรามเขาตะคราวซึ่งเป็นวิญญาณเจ้าแม่ก็เลยพาวิญญาณของอเกศศรเนี่ยมาเข้าร่างของอิจันอิจันเห็นด้วยกระอุบาบของอินวนก็ทําเป็นไม่รู้จัก น, นายนาคซึ่งเป็นพ่อแล้วอินวนก็เสียมสอนอิจัน บอกว่าถ้าใครถามให้บอกว่าบ้านเดิมของตัวนะอยู่กรุงเทพที่บ้านน่ะเป็นเรือนฝาถือปูนประดับกระจกได้เคย ล, ลอยกระทงตำหนักแพ่สองครั้งบ้านที่อยู่มีช้างเผือกและลิงเผือกด้วยตอนนั้นนายนาคผู้เป็นพ่อของอิจันก็มารับอิจันกลับไปรักษาที่บ้านได้สองสามวันอิจันก็กลับมาอาศัยอยู่กับอินวนอก ข่าวก็เรื่องลือไปว่าแม่พรามเขาตะคราวคือวิญญาณเจ้าแม่นี่เอาวิญญาณของเจ้าที่ชื่อเกศรเนี่ยมาอยู่เป็นลูกของอินวนฝ่ายพระยาเพชรบุรีเจ้าเมืองในเวลานั้นได้ข่าวข่าวว่าเจ้าตายแล้ววิญญาณมาเข้ารัง ของอิจันเจ้าเมืองก็เลยเรียกอินวนไปต่ถามก็สั่งให้กำนันพายอิจันจากบ้านที่พักอยู่ไปที่ตัวจังหวัดเพชรบุรีระหว่างทางก็แวะรับผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออีเลยไปด้วยเพื่อไปเป็นเพื่อนและคอยประครับประคองเพราะว่าตอนนั้นอิจันเพิ่งจะหายป่วย พญาเพชรบุรีพิจารณาความแล้วคงไม่เชื่อก็เลยให้นําอิจันทร์กลับไปอยู่ที่บ้านอีนวนตามเดิมต่อมาพญาเพชรบุรีสั่งให้อีนวนและขุนจ่าเมืองไปรับอิจันร์กลับไปเมืองเพชรบุรีอีกผู้ร่วมพบวนไปรับอิจันร์ก็มีหลายคนตอนที่อิจันทร์มาเนี่ลงเรือสำปันมาวางท่าในลักษณะเป็นเจ้านาย คือกลางกั้นร่มกระดาษเมื่อมาถึงเมืองเพชรบุรีก็ไปอยู่ที่เรือนขุนจ่ามเมืองสามสี่คืนหลังจากนั้นพระยาเพชรบุรีก็ให้ย้ายไปขึ้นเรือนตนห้าหกคืนและตอนนั้นเองพระยาเพชรบุรีคิดการใหญ่คือเข้าหาอิจันแต่อิจันไม่ยินยอมในคำพิพากษาพรรณนาไว้ว่า อิจั่นใช้เท้าถีบพระยาเพชรบุรีพิจารณาความในตอนนี้ก็บอกว่าเอออิจั่นเล่นได้สมบทบาทเพราะในฐานะที่ตัววางตัวเป็นเจ้าการลดตัวมาสมาคมกับชายสามัญย่อมเป็นเรื่องไม่บังควรคนที่ควรจะได้รับคำตําหนิก็คือพระยาเพชรบุรีเพราะว่าตัวอยู่ในฐานะข้าของพระเจ้าอยู่หัวการที่ไปล่วงเกินเชื้อพระวงศ์ ย่อมไม่พึงกระทำอย่างยิ่งหรือถ้าหากว่าจะเป็นอีกนัยะหนึ่งก็คือพระยาเพชรบุรีคงจะสังเกตเห็นพิรุธบางประการแล้วคิดว่าอีจันทร์เป็นหญิงธรรมดาที่นี้อินวนวลเกรงว่าเรื่องจะไปกันใหญ่เพราะเรื่องนี้มีคนรู้หลายคนแต่ตัวเองก็ไม่สามารถจะนำอีจันทร์ออกมาจากบ้านพระยาเพชรบุรีได้ก็เลยพร้อมใจกันกับอีเลย มาอย่างบางกอกมาหาเจ้าจอมมันดาปินเจ้าจอมมันดาปินก็สักไซอินวลนก็เล่าความเดิมที่ตัวเองแต่งสรรปั้นเรื่องเอาไว้เจ้าจอมมันดาปินก็ยังไม่เชื่อเพราะชื่อไม่ตรงอินวลนก็ชี้แจงเพิ่มเติมหลายอย่างบอกว่าเขาบอกว่ามีแม่ชื่อปินมีพี่สาวชื่อพัน พีสาวยื้อพันก็คือพระองค์เจ้าอำพันบอกว่าแม่เกศสอนี่ยังจําเครื่องประดับของตัวได้อยู่อินนวนนี่เป็นคนฉเฉลียวฉลาดพอสมควรสามารถโน้มน้าวเจ้าจอมมันดาปิ่นให้คล้อยตามตัวไปได้เป็นต้นว่าเมื่อพูดถึงเครื่องประดับที่ไหนพอนึกขึ้นมาได้ก็ร้องไห้อ้อนวอนให้พาเข้ามาส่งให้ถึงตําหนักแพร อยากจะพบเจ้าจอมมันดาไ่ายอย่างนั้นก็บอกว่าอิจรรันนะรูปร่างเดิมไม่สวยหรอกเดิมนมคล้อยผมหยิกตัวอ้วนเดี๋ยวนี้นมตั้งผมฉลวยรูปร่างก็เล็กลงกิริยาพูดจาเหมือนชาววังรูปงามกว่ารูปเดิมเยอะอันนี้ที่เขาจะรึแว่าเจ้าจอมมันดาปิณคงหลงเชื่ออินวนเต็มที่ก็คิดจะออกพิสูจน์ความจริง ว่าจะหากเป็นปวิญญาณพระองค์เจ้าเกศรจริงจุกจะได้รับตัวกลับมาตอนนั้นพระองค์เจ้าอัมพันผู้เป็นพี่สาวของพระองค์เจ้าเกศรมีรับสั่งให้อีนวลและอีเลยไปหาซื้อฟักทองมีขนาดเท่ากระโถนเพื่อจะเอามาทำโถใส่ข้าวยาคูถวายพระสงฆ์เจ้าจอมมารดาปิ่นลงเรือไปถึงปากน้ำมหาชัย เข้าใจว่าคงยังไม่ได้ขอพระบรมราชานุ ญ, ญาตที่ปากน้ํามหาชัยเจ้าจอมมันดาปิ่นก็ไปสวนทางกับ น, นางนมนางนมคนนี้เจ้าจอมมันดาปิ่นให้นําเบีย้ยจักรจั่นและโถกระเจะไปให้อิจันดูเพื่อพิสูจน์นางนมก็กลับมาพอดีสวนกันตรงนั้นนางนมเล่าว่าอิจันไม่รู้จักหลักฐานสองชิ้นที่เอาไปให้ดูเลย แล้วก็พิจารณาดูแล้วว่าไม่น่าจะใช่นางนมก็แนะนำให้เจ้าจอมมันดาปินกลับกรุงเทพดีกว่าเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเดินทางต่อไปเจ้าจอมมันดาปิลเห็นนางนมยืนยันอย่างหนักแน่นอย่างนั้นก็เลยเลิกล้มความตั้งใจเดินเดินทางกลับกรุงเทพเวลาผ่านไปอินวนก็ไปแนะนำอีจันทร์ว่าถ้าหากว่าเจ้าจอมมันดาออกมารับ ก็ให้ไปกับเจ้าจอมมนดาต่อมาอีกสองสามวันก็มีข้าหลวงของเจ้าจอมมนดาปินสี่คนชิมเปี่ยมเพียนขำเนี่มาที่บ้านขุนจาเมืองมาพบอิจันร์แล้วก็นำเครื่องประดับมาให้ดูหลังจากนั้นเจ้าจอมมนดาปินก็มามาที่บ้านขุนจาาเมืองเพื่อมารับอิจันร์แต่ความทราบถึงพระเนตรระกันเช่นก่อน จึงได้มีการชำระความขึ้นเรื่องดำเนินการอยู่หลายปีมาตัดสินความเมื่อปีพศ3 7 3ในรัชกาลพระน่งก้าวเจ้าอยู่หัวเนะเรื่องนี้มีผู้เกี่ยวข้องอยู่หลายคนแล้วการพิพากษาก็มีความผิดต่างสถานการณ์หนึ่งอิจันอินวนอิเลย ถูกริบราชบัติเอาทรัพย์สินของทั้งสามคนเป็นของหลวงโดยสิ้นเชิงโดนเคี่ยนคนละสามยกตระเวนบกสามวันตระเวนเรือสามวันแล้วให้ค่าเสียสองเจ้าจอมมันดาปินและข้าหลวงอีกสี่คนคือชิมเปี่ยมเพียนขำให้เคี่ยนคนละห้าสิบทีแล้วก็ให้ส่งอ่าเปี่ยมเพียนขำเนี่ยไปเป็นทาส สมขุนจามเรืองคนที่อิจันฉ์ไปพำนักอยู่ด้วยถูกเคี่ยนห้าสิบทีและจําคุกสี่พระยาเพชรบุรีหลวงประหลัดถูกเคี่ยนสามสิบทีห้าผู้เกี่ยวข้องมีความผิดคือเก็บเอาเรื่องที่อิจันฉ์พูดมาเล่าให้เจ้าจอมมดดาฟังแล้วก็บางคนก็แสดงกิริยายำเกรงอิจันฉ์ว่าเป็นเจ้าจริงๆให้เคี่ยนคนละสามสิบที พิจารณาจากคําพิพากษาผู้ที่สมควรได้รับการตาหนิมากที่สุดสามคนคือพระยาเพชรบุรีหลวงประลัดหลวงยกระบัดมีข้อความที่เข้าบันทึกไว้ดังนี้พระยาเพชรบุรีหลวงประหลัดหลวงยกระบัด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกไปร่างไปคลองเมืองสำหรับจะได้ระงับปราบปรามเสี่ยนหนามการแผ่นดินต่างพระเนตรพระกันรันรู้ความว่าไพ่บ้านพลเมืองพูดจาเรื่องลืออื้อเอิญกันว่าอีจันต์ตายแล้วโดยวิญญาณพระองค์เจ้าเกศรไปเข้าร่างอีจันร์อีจันร์กับพวกคิดการทั้งนี้ผิดประเพณีเยี่ยงอย่างแต่ก่อนสืบมา ควรที่พญาเพชรบุรีหลวงประหลัดหลวงยกระบัดซึ่งเป็นกรมการเมืองจะเอาตัวอิจันกับพวกอิจันมาพิจารณาเคี่ยนตีเสียให้เข็ดหลับอย่าให้ไพร่บ้านผลละเมืองนับถือเรื่องลือกันต่อก็ไม่ทําแล้วก็ไม่ได้บอกข้อความหรือว่าส่งตัวอิจันอินวนเข้ามาให้กราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทราบใต้ฝ่าละอง ทั้งนี้พญาเพชรบุรีหลวงปหลัดหลวงยกระบัดล่วงพระราชอายาพิทอยู่ด้วยกันต้องบทพระอายการว่าผู้ใดโลภนักมักทำใจใ ห, ใหญ่ฝ่ายสูงให้เกินสักและกระทำให้ล้นพ้นลำเหลือบรรดาศักดิ์ของตนถ้อยคำไม่ควรเจราจาเอามาเจราจาเข้าในระวางราชาศัพท์สิ่งของไม่ควรประดับเอามาเป็นเครื่องประดับตน ท่านว่าผู้นั้นทนงององอาจเข้าในอุบาทขาดเหลือให้ลงโทษแปดสถานสถานหนึ่งนั้นให้บั่นคอริบเรือนเอามาพร้าวห้าวยับปากริบราชบัตรเอาตัวลงเป็นตะพุ่นยาช้างปรับไหมเอาตัวออกจากราชการตีด้วยลวดหนังยี่สิบห้าทีสาสิบทีใส่ตรุไว้จำไว้แล้วถอดเสียเป็นไพร หรือภาคทันไว้จะควรสถานใดให้เอาสถานหนึ่งอันหนึ่งผู้ใดรู้ว่าผู้ใดคิดร้ายในแผ่นดินและผู้รู้นั้นชอบใจกันกับคนร้ายปกปิดเสียหรือเอาผิดมาทูลว่าดีทูลว่าผู้ร้ายนั้นเป็นคนดีจะให้ท่านเลี้ยงดูท่านว่าผู้นั้นละเมิดพระราชอาญาให้ลงโทษตามหนักและเบา อันนั้นก็เป็นคำพิพากษาลุวันจันร์แรมหกข้าเดือนหนึ่งปีขานปีพุทธศักราช2 3 7พรพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาความและมีพระราชบัญชาว่าข้อที่หนึ่งอีจันร์อีนวลอีเลยซึ่งต้องโทษประหารไม่ต้องประหารแต่ถูกส่งไปเป็นตะพุ่นยาช้างสอง คุณจามเมืองในฐานะที่เป็นกรรมการที่ต้องรักษาหน้าที่กลับไปผปสมโรงจึงให้เพิ่มโทษให้ตะเวนบกสามวันเรือสามวันแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นยาช้าง 3. เจ้าจอมมันดาปิ่นพระยาเพชรบุรีหลวงยกระบัดหลวงปลัดให้ยกโทษให้แต่ว่าให้ภาคทันไว้ส ค่าหลวงเดิมคือขำเพียนเปีม่มให้เกี้ยนเท่าเดิมแต่ไม่ต้องส่งไปเป็นทาตให้นายเงินรับกลับไปคือนายเงินก็คือเจ้าจอมมันดาปิน 5. ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เหลือเมื่อถูกเกลี้ยนแล้วให้ปล่อยตัวไปเรื่องนี้ก็จบลงด้วยผู้ที่ทำผิดก็ถูกทำโทษไปตามระเบียบแล้วโทษนั้นก็มีทั้งเพิ่มและลดตามควรแก่กรณี ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถแหละพระมหาการุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆในเรื่องนี้มีข้อความอยู่อันนึงที่แสดงถึงภูมิปัญญาของอินวนอ่าทั้งที่เป็นคนบ้านนอกบรรณนาในข้อที่ว่า ไปสั่งสอนให้อิจันบอ ก, กบผู้คนบอกว่าให้บอกว่าตัวเองอยู่ที่บ้านที่มีช้างเผือกและลิงเผือกในที่นี้ต้องขยายความว่าช้างเผือกและลิงเผือกเป็นสัตว์คู่กันเมื่อมีช้างเผือกก็ต้องมีลิงเผือกคู่กันไปซึ่งผู้ที่สามารถเป็นเจ้าของสัตว์ทั้งสองนี้ได้ก็มีแต่พระมหากษัตริย์เท่านั้นอันนี้ที่ทาให้คนเนี่ยมีความเชื่อความศรัทธา นะว่าเป็นวิญญาณของพระองค์เจ้าเกสรจริง